ใครมาก่อนหมอเตียมงมตรวกันบ้านเห็นอะไรนะดีแล้วการปฏิบัติเราไม่ทิ้งการทำในรูปแบบน่อก อาศัยการปฏิบัติในรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องช่วยเป็นวิหารธรรมที่อยู่เจริญสติตรงๆนะแต่บางคาั้งไม่ค่อยได้จริงเท่าไหรไม่มีแรงตอก็พอดีไปหลายๆครั้งจะเห็นว่าใจมันไปเวลาที่จะไปตามรู้เนี่ยมันจะมีบางตัวที่วิ่งไปวิ่งจะไปตามรู้อะครับก็จะเห็นไอ้ตัวตรงนี้กอพอเห็นเพิ่มมันก็หยุดหยุดที่จะตามรู้ของมันเอง จะไปบังคับมันนะคือพอสติมันเกิดมากขึ้นมากขึ้นเห็นสภาวะละเอียดเข้าไปเรื่อยๆแต่ความจริงสภาวะที่หยาบหรือละเอียดก็เท่าเทียมกันสภาวะภายในภายนอกหยาบละเอียดสุขทุกข์กุศลอกุศลเนี่ยในขั้นที่เราเจริญวิปัสสนาแล้วเนี่ยเท่าเทียมกันละคือทั้งหมดแสดงไตรลักษณ์ให้ดูการปฏิบัติจริงๆก็เพื่อจะได้เห็นความจริง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 จิตพ้นจากขันนะมันเข้าถึงความสุขความสงบที่แท้จริงส่วนความสุขความสงบของขันเป็นของโชคเร่านี้พอเรารักความสงบสุขความสงบของขั น, นะในใคล้ายๆเราอยากได้เหมืองทองนะไปแค่เจอเยาวราชเราก็ไปไหนไม่รอดแล้วรู้สึกทองเยอะ <c oughs> นี่นกายกับใจนี้ไม่ได้เรียนให้เอาสุขเอาสงบไม่ได้เอาดีรู้เรื่อยๆ ร, รู้บ่อยๆ เห็นเลยสภาวะทั้งหมดสแสดงใจรักได้ใจรู้แจ้งใจจะวางก่อนจะวางบางคนก็เบื่อแต่เบื่อของนิพพานนั้นไม่ใช่เบื่ออย่างโลกๆนะไม่ใช่ว่าไปเข้าธรรมทานสองวันสามวันเหนื่อยอยากกลับบ้านเป็นนิพพาไม่ใช่นะไอ <c oughs> อย่างนั้นคนติดคุกก็มีนิพพานยานหมดทุกคนอยากกลับบ้าน <c oughs> นิพพายานเนี่ยมันเป็นปัญญา พยานี่เป็นชื่อของปัญญาทั้งหมดมันเห็นเลยความสุขก็หน้าเบื่อความทุกขก็น่าเบื่ออยากก็หน้าเบื่อละเอียดก็หน้าเบื่อทําไมถึงหน้าเบื่อเพราะมันไม่เที่ยงสุขก็ไม่เที่ยงทุกข์ก็ไม่เที่ยงดีก็ไม่เที่ยงชั่วก็ไม่เที่ยงมีแต่ความไม่เที่ยงมันเบื่อรู้สึกไร้สาระทั้งหมดเลยแต่มันจืดหรือว่าเป็นคนใจจืดแต่ใจไม่ดําใจสว่างไม่ใช่ใจจืดใจดําจะจืดสนิทเลย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 มีกระบวนการตัดไม่ใช่นึกนึกเอาเองมาตัดแล้วในบ้านในเมืองเราเต็มไปด้วยพระอริยะนะอริยะแยะมากเลยนะนึกนึกเอานะนึกว่ า, าตัดแล้วตัดแล้วตัดแลาคนขาดสติวูบลงไปเป็นซาอริยะบรรลุมรรคผลมรรคผลอะไรขาดสติในขณะที่เกิดอริยมรรคมีจิต ไม่มีเจตสิกฝ่ายดีทั้งสามสิบวตัวไม่ใช่ขาดจิตขาดเจตสิกหมดความรู้สึกนั่นมันปลมกลุกปักแล้วเป็นธรรมทาที่พระพุทธเจ้าสอนถ้าเราศึกษาจนเราเข้าใจนะเราจะพบว่าปฏิบัติไม่ยากอะไรการปฏิบัติง่ายถ้ารู้สึกว่าฝืนมากเลยฝืนมากเลยเหนื่อยยากลำบากมากเลยมาทบทวนนิดหนึ่งนะทาอะไรอยู่ตรงกับคาสอนของพระพุทธเจ้าจริงๆไหม ก่อนที่ท่านจัสรู้ค้นพบทางที่ราบรื่นสายนี้ท่านลำบากมาเยอะแล้วบางองค์อย่างพระพุทธเจ้าของเราปัญญามากบำเพ็ญสั้นหน่อยเสียสงไข่แสนมหากรับสงไข่หนึ่งก็สิบยกกําลังร้อยห้าสิบประมาณนั้น่ะอสงไข่ส่วนกรับหนึ่งก็คือจักรวาลเกิดแล้วก็แตกทําลายไปทีห น, นึ่งท่านลำบากมากเพื่อค้นหาเส้นทางเส้นนี้ เป็นเส้นทางที่ไม่มีคนนึกถึงคนทั้งหลายปรารถนาความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์เหมือนกันหมดสัตว์มันก็ปรารถนาอย่างเดียวกันนี้แต่ภูมิปัญญาอ ม, มาไม่ถึงวิธีหาความสุขวิธีหาความสงบความสบายของสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะฉลาดสัตวเกลือแค่ไหนนั้ น, นีไม่พ้นความปรุงแต่งสามแบบปรุงฝ่ายชั่วปรุงฝ่ายดีแล้วก็ปรุงอเ น, นชาที่สังขะรหลีกเลี่ยงการกระทบอารมณ์ เป็นวิธีหาความสุขสามแบบรูปใบชั่วก็คือเรามีความรู้สึกว่าถ้าเราได้รับอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเราจะมีความสุขถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีเราถึงจะทุกข์แล้วเราจะดิ้นรนหาอารมณ์ที่เพลิดเพลินพอใจเช่นหารูปสวยมาดูแล้วมีความสุขมีกลิ่นหอมๆแล้วมีความสุขมีรสอร่อยแล้วมีความสุข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 อยู่ที่คุณภาพของจิตใจที่จะไปทํากรรมฐานนะฮะไม่ใช่เดินสวยนั่งสวยหายใจมีจังหวะจะโผล่เรียกว่าปฏิบัติไม่ใช่หรอกนะเป็นการบังคับกายบังคับใจให้ลําบากสัง เ, เกตดูเถอะทันทีที่เราคิดถึงการปฏิบัติสิ่งที่เราทําไม่มีอะไรเกินกว่าการบังคับตัวเองบังคับกายบังคับใจดัดแปลงกายดัดแปลงใจมีเท่านี้เอง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 ตระมัดระวังอย่ามงคนตื่นข่าวนะค่อยๆดูนะดูลงที่กายดูลงที่ใจเพรา ะ, ะการปฏิบัติไม่มีอะไรค่อยรู้กายค่อยรู้ใจมากๆการรู้กายรู้ใจนี่แหละเ ร, เรียกว่ารู้ทุกเราพระพุทธเจ้านิยามคําว่าทุกเอาไว้เรียบร้อยแล้วทุกคืออะไรทุกคืออุปาทานขันห้าคือรูปนามกายใจนี่เองคือตัวทุกการรู้ทุกนี่สําคัญมากถ้าเมื่อไร่รู้ทุกแจ่มแจ้งนะสมุทัยจะถูกละเอง ถ้าเมื่อไหร่สมูทายถุกลา้านี้โรคจะแจ้งขึ้นมาเองการรู้ทุกข์นั่นแหละเลยเรียกว่าการเจริญอริยมรรคการรู้กายรู้ใจนะั่นแหละเรียกว่าการเจริญมรรคอริยสัตว์นี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดพระพุทธเจ้าถึงขนาดบอกว่าถ้าท่านไม่รู้แจ้งอริยสัตว์นะไม่ปฏิยาณตนเป็นพระพุทธเจ้าอริยสัตว์มีสี่มีวนรอบตา มีปริวัตรคือทั้งหมดนะมีสิบสองคือสี่คูณสามได้สิบสองสี่ก็คืออะไรทุกสมูทยนิโรธมรคสมคืออะไรสก็คือตัวสภาวะของมันเองทุกเป็นยังไงสมูทยเป็นไงนิโรธเป็นไงมรคเป็นไงอันที่สองก็คือกิจต่อทุกเป็นยังไงกิจต่อสมูทยกิจต่อนิโรธกิจต่อมรคเป็นยังไงอันที่สามท่านได้ทํากิจทั้งสี่นี้เสร็จแล้วเนื่อว่ามีครบสิบสอง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 ยกตัวอย่างนะสมมความโกรธเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นขณะจิตที่โกรธจิตมีโกศกขณะที่รู้ว่าโกรธนั่นแหะคือขณะที่รู้หลักจากนั้นเราไม่ชอบความโกรธนะบางคนพุทโธพุทโธจะให้หายโกรธบางคนโกรธหนอโกรธหนอจะให้หายโกรธนี่จิตหลุดจากการรู้ไปอยู่ที่การคิดล้วพลาดจากการรู้สภาวาะแล้จิตที่รู้กับจิตที่คิดมันคนละดวงกันจิตที่รู้นะไว้ทํา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 องค์ธรรมของสติคือความระลึกได้คือความไม่เลื่อนลอยเหตุให้เกิดสติก็ไม่ได้เกิดจากการกําหนดเหตุให้เกิดสติเคือการที่จิตจําสภาวธรรมได้แม่นยําทําให้สติเกิดเนี่ในคัมภีร์ของเรามีหมดเลยนะสอนละเอียดยิบเลยสอนจนแบบดิ้นไม่ได้เลยสภาวธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวมีคําอธิบายชัดเจนนะดักหน้าดักหลังถึงสี่แบบเนะี่ยสภาวธรรมตัวหนึ่งน่จะดักได้ถึงสี่แบบ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 หลายคนพยายามกำหนดนะเพื่อให้สติเกิดยังเดินจงกรมยายมกระแทกเท้าแรงๆกลัวขาดสติสติไม่ได้อยู่ที่ส้นเท้านะเป็นกระแทกมันก็ไม่เกิดหรอกสติอยู่ที่การจำสภาวะได้เพราะั้นต้องหัดจำสภาวะจิตจะจำสภาวะรูปนามได้ถ้าจิตเคยเห็นรูปเห็นนามบ่อยๆเรียกว่าเห็นเนืองเนือเห็นกายเนืองเนืองเห็นเวทนาเนืองเนืองเห็นจิตเนืองเนืองเห็นธรรมเนืองเนืองถึงจะจำกายเวทนาจิตธรรมได้แล้วสติเกิด การเห็นกายหนึ่งๆเรียกว่ากายานุปัสสนาเห็นเวทนาหนึ่งๆเรียกว่าเวทนานุปัสสนาเห็นจิตหนึ่งๆเรียกจิตตาญาณุปณัสสนาก็คือการเจริญสติปัฏฐา น, นนั่นเองดงั้นการเจริญป็สติปัฏฐานไม่ใช่เรื่องอะไรที่ทลึกที่ล่านนะมันคือเรื่องการตามคอยรู้กายตามรู้ใจตามรู้ความเปลี่ยนแปลงในกายในใจรู้ไปเรื่อยๆไม่ใช่ไปนั่งเพ่งนั่งบังคับนั่งควบคุม ต้อเรารุ่นหลังๆเริ่มไปบังคับกายบังคับใจนะความจริงเป็นมา ก, อกรอบพระพุทธเจ้าอัตตากิีรมาสถานุโยคมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกบังคับเอาบังคับเอาหวังว่าบังคับได้ที่แล้วจะบรรลุเราชอบวาดภ า, ว, าว่าพระอรหรนะันต์นี่ยคือคนที่สามารถบังคับจิตให้ดีถาวรได้ให้สุขถาวรได้ถ้าบังคับได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนาาัตตาจิตเป็นอนัตตานะไม่มีใครบังคับได้หรอกจิตเป็นของไม่เที่ยงนะจะสั่งให้ถาวรไม่ได้ นนตนอยู่ไม่ได้เป็นทุกข์ตนอยู่ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้มันเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวสุขพระอราหันต์ไม่ใช่คนที่ดัดแปลงธ ร, รรมชาติธรรมดาได้แต่พระอราหันต์คือคนที่รู้ความจริงของธรรมชาติธรรมดาแล้วคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจริงนั้นมีสัจจานุโลมิขยานคล้อยตามสัจจะคล้อยตามความจรงิงขันห้าไม่เที่ยงก็ไม่เที่ยงแหละขันห้าเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์แหละขันห้าเป็นอนัตตาก็เป็นอนัตตาแหละ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 คอยตามความจริงกายนี้ใจนี้ไม่เชี่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตารู้แล้วคืนให้โลกเขาไปเพราะไม่ใช่ตัวเราการสลัดคืนเรียกว่าปฏินิสักะการสลัดคืนคืนร่างกายให้เป็นสมบัติของโลกคืนจิตใจให้เป็นสมบัติของโลกพอพ้นจากตรงนี้นะมนหมดภาระที่จะต้องแบกหามกายแบกหามจิตใจต่อไปละหมดการดินน้นรนหมดภาระมีอิสรภาพเกิดขึ้นจิตหลุดพ้นมีสรภาพนั่นเอง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 ส่วนคนที่เพ่งเพ่งเอาฟังแล้วก็เหมือนเดิมหละคือไม่รู้เรื่องเหมือนเดิมยาวแต่นั่งเพ่งเอานั่งคอยรู้กายนั่งคอยรู้ใจตัเองเรื่อยๆกายนี้ใจนี้เปลี่ยนแปลงทั้งวันคอยรู้เรื่อยๆส่วนหนังสือหลวงพ่ออ่านยากก็เขียนเอาไว้สําหรับเป็นคู่มือทดสอบตัวเองเมื่อเข้าใจธรรมะแล้วฟังแล้วก็ลองไปสังเกตใจดูไม่ใช่ฟังให้รู้เรื่องนะ ไม่มีใครฟังธรรมะให้รู้เรื่องได้หรอกเพราะธรรมารู้เรื่องไม่ได้ด้วยการฟังฟังเพื่อให้รู้ทางปฏิบัติเท่นั้นเองพระพุทธเจ้าท่านยังบอกท่านเป็นผู้บอกทางทางที่ท่านบอกคือโอปะน่ยิโกนะน้อมมาเรียนรู้กายรู้ใจตัวเองแล้วกายกับใจจะสอนธมมรรมะเราเพอเราโอปะน่ยโกน้อมมารู้ตัวเองเกิดปัจจิตังเวทิตาโพวินย uh ูหิตรู้ด้วยตัวเองแต่การรู้ด้วยตัวเองนี้ต้องทดสอบได้นะต้องตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้า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 เพราะว่าเราไม่รู้ทุกนะ bon สมูทัยถึงเกิดเราไม่รู้ธรรมะจริงๆสมูทัยคือความอยากก็เลยเกิดอยากปฏิบัติเนี่ยแท้จริงเขามีสมู ท, ทยัยจึงเกิดทุกเพราะไม่รู้ทุกจึงเกิดสมูทัยทุกกะสมูทัยอยิงอาศัยซึ่งการและการวตาัตตะข้อมูลเมียนอยู่ตรงนี้ก็มีสมู ท, ทยัยจึงเกิดทุกเพราะไม่รู้ทุกจึงเกิดสมูทัยนี่คือวัตตะ ส่วนววัตตาคือทางที่จะออกจากความเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยพราะรู้ทุกข์แจ่มแจ้งนะจึงรับสมุทัยได้เพราะสมุทัยดับไม่เหลือนิโรธจึงแจ้งสารวัตราขาดลงตรงนี้เองอยู่ที่รู้ทุกข์แจ่มแจ้งขึ้นมารู้กายรู้ใจหลวงปู่ดูลบอกว่าจิตเห็นจิตแจ่มแจ้งตัวจิตนั่นแหละตัวทุกข์อยู่ในตัวขันตัวขันตัวสุดท้ายที่ยึดถือเหนยวแน่นที่สุดคือจิตนั่นแหละถ้าในเจาะลงไปตัวจิตเห็นจิต บางคนคิดว่าจิตเห็นมหาสุญญาตาแจมแจ้งถึงจะหลุดพ้นไม่ใช่นะนั่นเพี้ยนจากคำสอนอของพระพุทธเจ้าแล้วหลวงปู่ ด, ดูลูกไม่ได้สอนว่าจิตเห็นมหาสุญญาตาแล้วหลุดพนะ้นเราจิตเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งเป็นมรคนะครับนี่เรียนธรรมะนะมันพร้อมจะเพี้ยนเสมอเลยหลวงปู่มั่นถึงบอกว่าธรรมะไปอยู่ในจิตปุถุชนแล้วเป็นสัตว์ธรรมปฏิรูปอัตโนมันะนะตมิเลยเพี้ยนอ่ะเพี้ยนตามกิเลสไป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 แล้วจะเข้าใจอย่างง่ายดายเลยเราจะรู้เลยว่าเราไปติดขัดอยู่ที่ไหนทําไมทําหลายปีแล้วมันไม่บรรลุมากคนนิพพานจริงๆทําไมทําหลายปีแล้วนึกว่าายใต้าระหารไปหลายรอบแล้วมันกิเลสเกิดขึ้นมาได้เรื่อยๆต้องทบทวนนะ